อ่นแต่กระบกเกลียวกระโขกคณะท่า ญ, ญา ย, ยาดโนมส่วนใหญ่ดอกแต่ว่ากรเกลยวอยู่ภายในวัดของเฮาพวกโกวัดภัยในวัดของเฮานหนจะรับรูรับทราพรวมกันวัาจุดประสงค์ของหลวงพ่อนี่คื อ, อยังในช่วงนี้นกระโขกเฮากระโงรวมกันก็นเอ๊ะเป็นยังยังมิด โจยลอยจังสิใกรหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้หูจักทั่วหนากั น, นเป็นคำบอกคำกล่าวของหลวงพ่อเป็นคำสั่งของหลวงพ่อก็จะได้ชัดเจนกัรที่ไมต้องพอ่อเป็นบอกสั่นจิงบ่อวันะนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกเออ เ, อเดี๋ยวเขียนเป็นคำสั่งคำบอกกล่าวสาหรับภายในวัดของเฮ้า ในช่วงนี้มีงานหยังงานใหญ่งานห น, นักงานที่พวกเขาจะต้องได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันเดินหน้าภาในวัดของเ้าหนึ่งสองสามสีคือหยัง่งขณะหลวงพ่อจึงได้มีหนังสือจดหมายเป็นคำสั่งคำกาวใน กระดาษสแผ่นให้พวกเข้าได้ฟั ง, บงเบื้องหน้าวันนี้นะลุกหลานบางคนก็มาเกี่ยวของหอกแต่ว่าแต่ภายในวัดของลุงพ่อเนี่ยลุงพ่อจัดท่าญาติโน้มที่เกี่ยวของปุกไก่ชิดเนี่ยนาจะรับรูรับซับที่ลวงพ่อจะได้สั่งว่างานของวัดเท่าที่จะเดินไปแบบใดสิเฮ็ดหนังต่อไปไพ่ภาคนาเนี่ยงานมันถึงเป็นงานใหญ่เพราะนั่นมันต้อง พูดให้ชัดเจนอย่าบอแมนพูดกำกำกึ่กึง่งนะเอาเสียาาเเส้ยงมาอ่านมาว่าเจนเสี้ยงมาอ่านเลยเสี้ยงไปอ่านเดีฟังฟังเฮาคณะเฮ้าเป็นผู้สร้างเฮ้าเป็นผู้อ่านเอง ม, มันบริสุทธิ์วะกราบขอโอกาสครับผมเขียนที่วัดป่านาคําน้อยวันที่18พฤศจิกายน2556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 พวกเราท่านทั้งหลายจงตระหนักไว้ในใจเสมอเสมอลงชื่อหลวงพ่ออินทายสันตุสโกเป็นผู้สั่งอันนี้คือเป็นคำสั่งของหลวงพ่อบอกกับพระเนนายยาศรัทธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องทำไมหลวงพ่อจึงให้หยุดงานโดยกระทันหันเพราะว่า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 อันนี้ก็คือความในใจของหลวงพ่อที่หลวงพ่อจะต้องเข้าไปจัดการในเมื่อท่านหลวงรับดับขันไปก่อนเราเป็นเสียจะเราไปก่อนท่านก็สุดวิสัยไม่ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เมื่อท่านไปก่อนเน่ยหลวงพ่อคิดตั้งใจไว้อยู่ยจะช่วยงานในครั้งนี้คราวนี้ครั้งนั้นหรือว่าครั้งทุกครั้งเอาสุดความสามารถ ที่จะช่วยงานของท่านได้ก็ที่ผ่า น, านมาพวกเราได้สังเกตไหมที่หลวงพ่อได้ทำผ่า น, านมาเนี่ยแหละงานใหญ่ก็ได้ทำผ่านมางานไหนได้ทำผ่านมาแต่คราวนี้เป็นงานของหลวงปู่จามมหาปุญโญที่หลวงพ่อจะต้องได้เข้าไปทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถเอกเช่นเดียวกันแปลว่าจบภาระของหลวงพ่อแล้ว ล, ละทีนี้ไม่มีอะไรนอกนั้นก็ ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆก็ทําหน้าที่องค์อื่นๆไปนี่แหละอันนี้ก็คือทีอ่บอกประกาศหรือบอกกล่าวลูกหลานเกี่ยวข้องคณะจัาญญาตตารายาดโยมที่เกี่ยวข้องลุกศิษย์ลูกหาที่เกี่ยวข้องอที่จะจัดงานอของหลวงปู่จามข่าวเนี่ถือว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ของหลวงพ่อโดยตรง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 หลวงพ่อก็บอกว่าควรจะรับหรือว่าพระราชทานเพลิงศติละของท่านเดือนเดียวก็น่าจะเพียงพอมัง่งขอไฟพระราชทานซะแต่ว่ามันลุกชีตลูกหาของหลวงปู่หลายคนคนหนึ่งคิดจังหนึ่งคนหนึ่งคิดจังหนึ่งในช่วงนั้นกระพงนิสุก็เลยออกมาว่าเป็นงานพระราชทานเพลิงวันที่18มกรา ห้าเจ็ดชนปีพอดีพอดีพอชนปีเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เราจะคอยไปถึงชนปีคงไม่ไหวเพราะว่างานยังเยอะยังยาวนานเหลือเกินเพราะนั้นหลวงพ่อยังได้ถอยถอ ย, ถอยออกมาอพอถอยมาก็ให้พวกน้องๆ้องลูกหลานทั้งหลาย เ, เขาจัดทาไปเราก็อยู่ห่างๆดูว่า งานตรงไหนบ้างควรจะทาอย่างไรล้วก็ฟังฟังก็มาปรึกษาบัาง่งไม่ปรึกษาบัางเอาให้เขาทาทำไปแต่บัด น, นี้ออกพรรษาแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเป็นวันที่5มกราห้าเไม่ใช่วันที่18นะวันที่18มกราห้าเไม่ใช่ลดลงมาแล้วเป็นวันที่5มกราห้าเจจากนี้ไปก็เดือนกว่าเพราะนั้น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 แต่พอไหมหลวงพอ่อยังคิดอยู่ถ้ามากได้กว่านั้นก็ดีแต่กับหลวงพ่อออกโปงไปนี่นก็คงจะระดมพวกเต้นพวกอะไรเข้าไปอีกเพื่อจะให้งานเป็นไปด้วยเรียบร้อยหรือบ่กงานนิมนต์พระสงฆ์จะนิมนต์ระดับไหนอย่างไรอันนี้หลวงพอ่อจะต้องลงไปพูดคุยกับคณะกรรมการพวกลูกๆห ล, ล, ลานอีกที่นึง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 สรุปแล้วก็คิดค ด, ดีที่สุดทําดีที่สุดพูดดีที่สุดนะอันไหนที่สุดจุดไหนหลวงพ่อจะอยู่จุดนั้นนะเชี่ว่ามันไม่ดีหลวลงพ่อจะไม่ทำนะจะไม่ทําคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีจะไม่ทําในจุดนั้นนะดันั้นขอให้พวกเราคณะสัท ธ, ธาญาโสมลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเนาะ ช, ช่วยกันคิดนะงานเนาะ งานของลุงพ่อเป็นงานที่ลุงพ่อหนักพอสมควรงานนี้แล้วก็จนถึงว่างานภายในวัดทุกอย่างต้องงดซะก่อนแต่ถึงยังไง เ, เงินเรื่องงานภาวนาอย่าไปงดนั่นแนหะแต่ลุงพ่อก็บอกจะบอกพระในวัดของลุงพ่อถึงใครอ ย, อยู่เฝ้าวัดก็าตามนะก็ไม่ถื อ, อยาให้ถือว่าหนักใจว่าปัดกวาดที่ตรงไหนที่มันกว้างจะปัดกวาดยังไง ถ้าหากว่ามันลกกรุงลังจริงๆก่อนนะขอพี่น้องชาวบ้านลูกหลานนักเรียนมาช่วยช่วยปัดกวาดก็ได้เอานักเรียนเนะารม่มนักเรียนมาปัดกวาดวันนี้หรือจะทำมันลกเกินไปทํามไม่ลกก็ไม่เป็นไรทิ้งๆไว้ก่อนแล้วก็ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนานะนะัา่นแหละให้ภาวนาไม่ได้ถือว่าเป็นจิงจําเป็นสําคัญเพราะว่า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 ผู้หมวดดีดผู้หมวดเอกนี่แหละช่วยๆกันดูนะหน้าที่โดยตรงนะพวกเราท่านทั้งหลายและกพวกผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายก็ช่วยๆกันดูว่างๆก็มาปัดมา ก, กวาดช่วยๆคููบาด้วยนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่นะมีภารกิจอย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวให้กับพวกเราทุกคนได้ทราบนั่นนะเป็นภาระมี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 ทำเพื่อเราท่านไม่มีอะไรนะท่านจุจจติไปแล้วจุตินิพพานไปแล้วพวกเราจะอยู่เบื้องหลังเราจะทำยังไงก็เป<ละ>็นหน้าที่ของพวกเราบุคคลโมราณว่าเก็บดูกหลังฝังดูกข้างเพื่อให้เป็นเรียบร้อยทุกอย่างให้เหรียบร้อยราบรื่นจะให้มีอุปสรรนานับประการเพื่อเทิดชูบูชา พระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยผู้มีอุปการะคุณกับเราน ะ, ะต่อนนี้ไปรับพร น, นิทนนะอนุโมทนาให้พ้เออวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะพวกลูกหลานหนะ้าวันนี้เป็นวันสิ้นปีเป็นวันสิ้นปีของปีพุทธศักราช2556อา่าเป็นวันเทศกาลเป็นวันลอยกระทงอา่าเป็นวัน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 เป็นเป็นแสงสว่างนะหลับพรอนุโมทนาให้พร